วันนี้เป็นวันที่23กรกดาห้หนึ่งเข้าพรรษามาก็เป็นเวลาหวันก็ยังไม่เคยมีการประชุมแต่ตามปกติวัดของเรา8ค่ำสิหค่ำอันนั้นเป็นธรรมดาแต่การประชุมในระหว่างอันนั้นถือว่าเป็นกรณีพิเศษบ้าง แต่บางปีผมก็นัดประชุมเป็นกรณีพิเศษในระหว่างกลางเพื่อทำความเข้าใจกับหมู่พวกเพื่อนพระที่เข้ามาศึกษาเพราะว่าการที่เขามาศึกษามีทั้งหมู่เพื่อนที่เป็นพระเก่าและก็เป็นพระใหม่เพิ่งเข้ามาการเข้ามาศึกษาจะต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเป็นเบื้องต้น แต่ถ้าว่าพวกเราขาดการได้ยินได้ฟังพวกเราจะเป็นผู้ฉลาดรอบรู้รอบครอบอย่างนั้นก็คงหาได้ยากเหมือนกันผ ม, มไมด้ยกตัวอย่างอื่นไกลผมเองที่อยู่กับครูบาอาจารย์ผมต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเกือบจะว่าตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่กับหลวงปูล่ลา ถ้าเจอหน้าทีไรท่านก็ต้องสอนหรือพูดธรรมะให้ฟังท่านจะไม่พูดอย่างอื่นเพราะฉะนั้นการประชุมกันถือว่าเป็นหัวใจของการอยู่ร่วมกันถ้าว่าพวกเราต่างคนต่างอยู่ต่างองค์ต่างมีแนวความคิดแล้วก็ความคิดนั้นก็นานาจิตต่างนานาทัศนะ์การเป็นอยู่วิชาอาชีพตระกูล แ, กแตกแตกต่างกัน จะให้มีแนวความคิดแบบเดียวกันนั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้การอยู่ด้วยกันก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ผมเองก็พยายามนำความรู้ความสามารถที่ผมได้เคยประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่เป็นสมัมมเณีจนถึงมีอายุถึงขนาดนี้แหละก็ได้นำมาคิดมาพิจารณาทบทวนในการเป็นอยู่ของผม สมัยเป็นเนนประพฤติตนอย่างไรเมื่อเป็นพระนุ่มทำตนอย่างไรเมื่ออยู่กับครูบาอาจารย์ทำตนอย่างไรและก็การอยู่กับหมู่พวกเพื่อนวางตัวอย่างไรอย่างนี้ผมได้นำประสบการณ์ของผมแล้วก็นำมาแนะนำหรือบอกกล่าวให้เป็นแนวทางสำหรับหมู่พวกเพื่อนจะได้นำไปประพฤติปฏิบัต ต่อไปภายภาคหน้าหมู่พวกเพื่อนเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็จะได้นำความคิดหรือว่าแนวทางที่ที่พวกท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังจากผมเป็นส่วนหนึ่งแต่ถึงยังไงก็ตามครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์ให้พวกท่านทั้งหลายให้เทิดทูนบูชาเอาไว้จึงจะเป็นผู้เจริญ ผมไปอยู่กับครูบาอาจารย์องค์ใดก็ต้องมีดีต้องมีสิ่งขาดตกปกพ่องเป็นธรรมดาจะให้สมบูรณ์แบบอย่างที่ตัวเองต้องการอย่างที่ใจของเราต้องการนั้นเป็นไปไม่ได้ท่านจะไปอยู่กับเทวดาที่ไหนก็เถอะเฮ่อใจของท่านกับใจของเทวดานะ่าคงจะแตกแตกต่างกันและจะทํำยังไงจึงจะให้พอดีพอเหมาะกับหัวใจของพวกท่านทั้งหลายเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอให้พวกท่านทั้งหลาย คิดไว้ในใจว่าครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านต้องมีดีแล้วก็ต้องมีขาดตกบกพร่องเป็นธรรมดาเป็นบางครั้งบางการแต่การขาดตกบกพร่องนั้นพวกเราก็ไม่รู้ว่าการขาดตกบกพร่องนั้นท่านมีความหมายอะไรไม่ใช่ว่าจะตึงหรือจะทําอะไรซื่อบื้อทุกอย่างตรงไปตรงมาอะไรทุกอย่างแต่ท่านก็ต้องมองว่า บุคคลควรคนนี้ควรทำกับเขาอย่างไรบุคคลคนนี้ควรจั ด, จดการหรือ ว, ว่าดูดาว่ากล่าวอย่างไรสิ่งเหล่านี้มันเป็นความพอดีแล้วกว่าการวางมาตรฐานของท่านเองเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์เหมือนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่บางคนเข้ามาพระบางองค์เข้ามา ท่านก็ไม่ดุด่าว่าเก่าเหมือนกับปู่กับหลานคุยกันแต่บางองค์เข้ามาเนี่ยเหมือนกับขึงข้างถึงเหมือนกับปากัดเลยว่างั้นแต่พราะเหตุไรพอาทิฏฐิมานะนะ่ะไม่เหมือนกันแต่บางคนเข้ามานะั้นนิสัยอ่อนน้อมเราจะไปดุด่าว่าเก่าก็ไม่ได้แต่บางองค์นิสัยแข็งกระด้างเราจะไปพูดแบบอ่อนน้อมไม่ได้มันเยยบท่านก็มองอีกมันจะมาเยยบท่าน ไม่เหยียบทางกายมันก็เหยียบทางใจเห้พระนั้นท่านต้องเข็นเอาไว้ก่อนขู่ไว้ก่อนเผอๆยังขู่ไมให้เขามาใกล้ต่างหากก็เพราะเหตุไรก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของท่านเองเป็นสิทธิ์ของท่านเองที่จะวางตัวอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันเพราะนั้นเราจะไปจับจุดใด จ, จุดหนึ่งเอามาติฉินนินทาท่านนั้น การกระทำร่า ก, การประพฤติของท่านนั้นมันก็เป็นความโง่เขลาเป็นความโง่ของผู้นึกคิดเท่านั้นเองแต่เราก็ต้องมองว่าการกระทานั้นผิดต่อหลักธรรมวินัยไหมถ้าไม่ผิดต่อหลักธรรมวินยัยเราก็ต้องนำมาคิดมาพิจารณาอีกว่าท่านมีความมุ่งหมายอะไรท่านทำอย่างนี้แต่ถ้าวันผิดต่อธรรมวินยัยผิดต่อพระวินยัยอันนั้น งงถึงจะทํำยังไงถึงจะทําในที่รับถึงจะทําในที่แจ้งถึงจะทํำยังไงพวกเราเข้าไปศึกษาก็ยอมรับไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะผิดต่อหลักพระธรรมวินัยเพราะหลักธรรมวินัยมีอยู่แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเข้าไปกราบหรือเข้าไปเตือนท่านไปบอกท่านท่านอาจจะขาดตกปกพ้องในหลักพระธรรมวินัยจุดนั้นๆเสี่งเหล่านี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่เข้ามาศึกษาสรุปแล้วก็คืออาจารย์ก็ต้องมองสิทธิ์เหมือนกัน สิทธ์เข้ามาศึกษาเข้ามาด้วยความตั้งใจไหมหรือเข้ามาอย่างไงเข้ามาเรียกว่าเข้ามาแบบหน้าไหว้หลังหลอกหรือเป็นยังไงพวกท่านทั้งหลายก็เข้ามาหาเข้ามาศึกษากับครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันเข้ามาศึกษาก็ต้องดูอี ก, อ ก, อกว่าครูบาอาจารย์นี่มีความจริงจังมีความจริงใจมีความมุ่งมั่นขนาดไหนในหลักพระธรรมวินยัยที่จะยึดเป็นแนวแถวของพวกเราได้ไหมต่อไปในอนาคต สิ่งเหล่านี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายต้องได้คิดผมก็เหมือนกันที่จะรับสิทธิอนุสิทธิ์ขึ้นมาจะมากน้อยแค่ไหนผมก็ต้องได้คิดเหมือนกันเพราะนั้นถึงจะมีมากและมีน้อยไม่ได้อยู่ในหัวใจของผมถึงคราวเลืผมอยู่องคเดียวผมก็ยังคิดว่าจะอยู่ได้เพราะเหตุใดผมก็ยังพูดในเอ็มสบอกแล้วว่าถึงใครจะไม่ทําคุณงามความดีผมองค์เดียวจะเป็นผู้ทําคุณงามความดี ผมคนเดียวจะเป็นผู้มอบกายถวายชีวิตในพระพุทธศาสนาสิ่งที่มันชั่วผมจะไม่ทําโดยเด็ดขาดถ้ารู้ว่าสิ่งว่ามันชั่วนี่แหละในใจของผมคิดอย่างนั้นเราเกิดมาเกิดมาคนเดียวไม่ใช่เหรอเราจะแบกใครมาเกิดด้วยเมื่อตายไปเราจะแบกใครตายไปด้วยเราเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวทําดีทําชั่วเราคนเดียวเป็นคนทําถ้าอยู่คนเดียวอย่าทําความชั่วให้ทําแต่ความดี เพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายไปอยู่ณสถานที่ใดให้จิตใจแน่วแน่และเด็ดเดี่ยวให้เป็นผู้มุ่งมั่นในศีลธรรมให้เสาะแสวงหาธรรมอย่าไปสาะแสวงหาโลกอย่าไปสะแสวงหาโลกามิตรอย่าไปสาะแสวงหาวัตถุภายนอกให้สาะแสวงหาธรรมการสาะแสวงหาสิ่งภายนอกนั้นมีแต่เรื่องยุ่งเยิงวุ่นวายแต่สะแสวงหาธรรมภายในใจนั้นมี ส, สงบพร่มเย็นเป็นสุข ทามีหลายระดับมีหลายขั้นขอให้พวกท่านทั้งหลายเข้ามาในหาธรรมเนี่ยสมาธิธรรมอย่างเดียวเพียงแค่นี้แหละจิตใจก็สงบร่มเย็นเป็นสุขมากต่อมากเพราะนั้นถ้าว่าพิจารณาทางด้านปัญญาค้นคว้าเข้าไปอีกก็ยิ่งมีความสงบป่มเย็นเป็นสุขลึกซึ้งลงไปอีกเพราะเหตุไรเพราะใจของเราตัดข้างนอกพิจารณาข้างนอกแล้วมีอะไร ที่จะทําให้เรายุ่งเหยิงวุ่นวายที่จะทําให้เราทุกข์มันมีอะไรเรื่องมีแต่เรื่องกิเลสกิเลสนั้นคืออะไรตัวหลักใหญ่คือกามมกิเลสพวกเราคิดดูในใจให้คิดดูในใจก็แล้วกันคิดดูให้ลึกๆก็แล้วกันคิดดูให้รอบคอบก็แล้วกันคิดดูไตรตรองด้วยเหตุและผลว่าใจของเราคิดติดข้องกับอะไรผมบอกได้แล้วว่าเรื่องกามมกิเลสเป็นตัวใหญ่ที่สุด ขอให้ท่านพวกเราท่านทั้งหลายเพ่งมองในจุดที่ผมพูดจริงไหมที่ผมพูดไม่น่าจะผิดเกี่ยวว่าร้อยทั้งร้อยเราทานเถอะผมมั่นใจอย่างนั้นเพราะนั้นเราจะพิจารณาอย่างไงเราจะแก้ไขอย่างไงในจุดนั้นที่มันจิตมันคล้องอยู่นั้นทีจ่จิตใจมันวุ่นวายจิตใจมันละสัมรสายจิตใจมันทุกข์อยู่นั้นเราจะแก้ไขอย่างไงเราจะทำอย่างไง เราจะปรับปรุงยังไงตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้ามันเป็นความสุขที่แท้จริงใช่ไหมจุดนั้นมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องหลอกลวงใจเฉยๆท่านเปรียบเทียบ ว, ว่าอมตะเรีว่ามรตยูคือความตายความตายเนี่ยเหมือนกับน้ำไหลาลากจากภูเขาลากคนที่นอนหลับ ที่หลงไหลไปกับน้ำท่านเปรียบเทียบเหมือนว่ามนุษยชาติหลงไหลอยู่ติดอยู่ในกามอาลมติดอยู่ในกามอาลมคือความสุขเรื่องกามมรรตยูเนี่ยคือความตายพัดพาคไปไหลลงไปสู่ความตายแล้วเมื่อตายไปแล้วเกิดพบนาชาตินากนารลงมาหลงไหลอีกอย่างเก่าเมื่อหลงไตยอย่างเก่าเกิดขึ้นมาแล้วกัน ความตายก็พาดพากอย่างเก่าลากไปเอียงเก่าลงไปแล้วก็กลับขึ้นมาอีกมาเกิดมากระหลงไหลเอียงเก่ามันอยู่อย่างนี้อันไหนคือความสุขเราพิจารณาดูที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายใครต่อใครอยู่ในโลกมันมีความสุขที่แท้จริงอย่างที่ว่าใช่ไหมถ้าเราพิจารณาตามเอาหลักพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาจับ มาเป็นบรรทัดฐานมาเป็นกระจกเงาพิจารณาไตร่ตรองด้วยเหตุผลแล้วมันจริงอย่างพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่โลกทั้งโลกหลบสลบสลายเรื่องราบเรื่องยศเรื่องสรรเสริญเรื่องสุขนั้นมันเป็นเรื่องนอ ก, นอกมันเป็นเรื่องสาะแสวงหาสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกนั้นโดยมากมันมีแต่เรื่องทุกเข้ามาแทนที่ ส่วนเสาะแสวงหาธรรมภายในใจนั้นก็ไม่ค่อยสนใจเพออราะเหตุใดเพราะไม่ได้ศึกษาเพราะไม่เชื่ออีกต่างหากแต่ถึงจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามความแก่เจ็บตายนั้นไม่ได้เลือกว่าคนเชื่อหรือไม่เชื่อตายด้วยการทางนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราควรจะศึกษาวันก่อนที่จะตายไปนั้นน่ะก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นขึ้นมานั้น่ะเราควรจะทําตนอย่างไรเพราะฉะนั้นจุดนี้แหละพวกเราเข้ามาศึกษาในวันนี้ เขามาบวชในคราวนี้ในครั้งนี้ในชีวิตนี้เราจะศึกษาเรื่องจิตตภาวนาเรื่องจิตใจเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องนามธรรมเรื่องตัวผู้รู้ตัวนึกคิดอยู่ในตัวของเราเนี่แหละร่างกายของเรามีสองร่างกายนามธรรมใจรูปประธรรมรูปประธรรมคือกายนามธรรมคือใจเราศึกษาเรื่องนามธรรมเดี๋ยวนี้ขณะนี้ เราศึกษาเรื่องนามธรรมนามธรรมคือตัวนึกคิดเราจะปรับหันตัวนึกคิดให้รู้แจ้งเห็นจริงให้รู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างไรถ้าว่าพวกเรายัางมัวเมายัางให้ความสำคัญสิ่งภายนอกอยู่จิตใจของเราก็จะกระเพื่อมมีแต่ความเศร้าหมองมืดบอดมีแต่ความทุกข์ระทมเพราะเหตุดเพราะเราไปยึด ในสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าว่าเราพิจารณาเห็นตามความจริงขนาดร่างกายของเราแท้ๆก็ยังไม่ใช่ตัวตนของเราสิ่งภายนอกยศถามบัรดาศักสามีภรรยาลูกวงศ์สักนายาจะเป็นของเราได้อย่างไรอันนี้ถ้าเราเอานามาทมพิจารณาถึงรูปธปรรมคือร่างกายของตนเองแล้วเราจะรู้ได้ว่าจริงไหม จริงไหมยอมรับไหมถ้าเราพิจารณาหลายครั้งต่อหลายหนทบทวนดูให้ดีใหม่ๆเราได้ยินอย่างนี้เราก็อาจจะพิจารณาอีกแบบหนึ่งไม่ซึง้งแบบจริงหรือเปล่าขยะขยะแต่เมื่อเราพิจารณาทําใจให้สงบทําใจให้นิ่งทําใจให้อิบ่บด้วยสมาธิซะก่อนทําใจให้นิ่งซะก่อนแล้วนํามาพิจารณาเราจะรู้แจ้ง เราจะรู้จริงเราจะรู้อย่างที่พระพุทธเจ้าพระหรันสาวกหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นท่านจึงว่าให้เสาะแสวง ด, ด, ดูธรรมดูธรรมธรรมคือความถูกต้องธรรมะคือหลักเหตุผลอยู่ในจิตในใจของพวกเราอันดับแรกศีลก็เป็นที่รู้กันเป็นที่ศึกษาสําหรับพระใหม่ก็ให้ศึกษาให้ไต่ถามเรื่องศีล หูตานั่นแหละหูฟังครูบาอาจารย์พูดยังไงฟังตาเห็นท่านทำยังไงถ้าสงสัยให้ถามถ้ารู้แล้วก็อย่าฝืนให้นํามาประพฤติปฏิบัติเพราะเราไม่ใช่ฆราวาสเดี๋ยวนี้เราเป็นพระเราจะนํานิสัยฆราวาสมาใช้ไม่ได้เพราะเราเป็นพระต้องทําตนอยู่ในกฎระเบียบนี้เป็นอยู่ด้วยศรัทธาของชาวบ้าน ชาวบ้านเป็นผู้สนับสนุนถ้าเขาไม่มีศรัทธาเขาไม่เชื่อเขาไม่เลื่อมใสศรัทธาเราจะอยู่ได้อย่างไรเพราะนั้นขนาดเราก็ยังไม่นับถือไม่เลื่อมใสเราแล้วก็จะให้คนอื่นนับถือเลื่อมใสเราได้อย่างไงเพราะนั้นเราต้องทําตนให้เป็นพระที่สมบูรณ์ที่สุดด้วยศีลเป็นพระเราไม่ได้เน้นหนักเรื่องการงานภายนอกเป็นพระ พระพุทธเจ้าให้เน้นหนักเรื่องภายในคือตัวนามธรรมตัวนี้แหละในหลักของพระพุทธศาสนาภิกษุควรทำตนอย่างไรเมื่อบวชเข้ามาแล้วไปบินธรบาดมาฉันจากนั้นก็หาหมุมสงบหาที่สงบสงัดจะเป็นบ้านว่างล้อมฟางกุฏิโคนต้นไม้หรือสถานที่ใดเป็นที่สงบเข้าไปนั่งหยุดจุดนั้น นั่งขัดสมาธิทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละหน้าที่ของพระหน้าที่ของพระที่พระพุทธเจา้าพุทธประสงค์ของพระพุทธเจา้าเราจะไปศึกษาตำราไหนวัดไตรปิฎกเล่มไหนครูบาอาจารย์องค์ไหนถ้าพูดออกนอกลกูนอกทางว่าการทำงานอย่างนู้นทำงานอย่างนี้นั่นแหละคือเป็นหลักของพุทธศาสนาแปลว่าผิดหมดผมยืนยันอย่างนั้นได้ ชาว่าผู้ใดท่านผู้ใดนั่งขัดสมาธิในมุมสงบหาที่ว่างไม่คุกคลีในมุมสงบจะเป็นที่ไหนกุฏิหลังไหนลานหลังไหนศ า, าลาหลังไหนตรงไหนโคนต้นไม้ที่ไหนเป็นที่ห่างจากหมู่พวกเพื่อนไม่คุกคลีกับคู่คนแล้วนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรง กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละอันนี้แหละคือพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพราะฉนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่เขามาบวชให้ปฏิบัติอย่างนี้หามุมสงบแล้วก็นั่งภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกให้มีสติในลมหายใจเข้าออกนั้นเรานั่งนานเท่าไหร่ นานที่สุดเท่าที่จะนานได้จนเหนื่อยแล้วก็ค่อยออกอ้ อ, อแล้วก็เพียนอริยาบทเดินจงกรมมีทางเดินจงกรมอยู่แล้วแต่การเดินจงกรมต้องเป็นหน้าที่เลยนะออย่าไปคิดว่านั่งภาวานาแล้วไม่เดินจงกรมไม่ได้ต้องเดินจงกรมอันนี้นถ้าไม่เดินจงกรมเปลี่ยนอริยาบทถ้าคนมีแต่ น, นั่งภาวานาไม่เดินจงกรมคนนั้นพระองค์นั้นยังไม่สมบูรณ์ต้องเดินจงกรม การเดินยังกรมเนี่ยคือการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวเนี่น่ะการนั่งสมาธิท่าวันนั่งสมาธินั่งภาวนาจิตสงบแต่พอเดินยังกรมแล้วมันไม่อยู่มันไม่อยู่ก็ต้องนั่นแหะเราพยายามในการเดินในเมื่อการเดินของเราการเคลื่อนไหวของเราการเคลื่อนไหวของร่างกายการขยับตัวของร่างกายมันก็จะต้องมีแต่ถึงยังไงสติของเราก็พยายามจับจับในการเคลื่อนไหวของร่างกาย ขาขวาพุทขาซ้ายโถพุทโถเดินตามปกติไม่ต้องเดินช้าเดินเหมือนกับพวกเราเดินบินทบาทอย่างนั้นล่ะขาขวาพุทธแต่ให้มีสติขาขวาพุทธขาซ้ายโถในทางเดินจงกรมในเมื่อเดินนานเท่าไหร่นานเท่าที่จะนานได้สองสามสี่ชั่วโมงก็พอได้จากนั้นพอนักเดินจงกรมเสร็จแล้วเข้ามานั่งมานั่งสมาธิเราจะรู้ได้ด้วยตนเองนะว่าการเดินนี่ย คือการบังคับสติอยู่กับการก้าวเดินมันเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเพราะว่าการเคลื่อนไหวของร่างกายแต่เมื่อเรากลับเข้ามานั่งถึงจิตจะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายกว่าได้เร็วกว่าดีกว่าเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายฟังเอาไว้จุดนี้เพราะฉะนั้นท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจะว่าให้เดินอยู่กลมให้นั่งภาวนาคู่กันเดินกับนั่งให้คู่กัน จะทำอันใดอันหนึ่งไม่ได้แต่บางองค์ก็วันนั่งดีกว่าแต่บางองค์เดินดีกว่าแต่ถึงยังไงทั้งสองอย่างต้องไปด้วยกันเพราะฉะนั้นทางเดินยังกลมถ้าวัดองค์ใดก็ตามว่านั่งภาวนาเก่งนั่งภาวนาดีแต่ไม่เห็นทางเดินยังกลมอันนั้นยังใช้ไม่ได้ขอให้พวกท่านทั้งหลายฟังเอาไว้จุดนี้เนี่ยเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ท่านนำมาประพุทธปฏิบัติมาแล้วไปองค์ไหนก็องค์นั้นที่ท่านเดินโยกรมไม่เคยมีองค์ไหนจะนั่งภาวนาอย่างเดียวไม่เดินอยกรมผมผ่านผ่านมาไม่เคยมีองค์ไหนพูดอย่างนั้นได้เพราะน่านพวกท่านทั้งหลายจะเก่งกว่าครูบาอาจารย์ของผมที่ศึกษามาแล้วนั้นผมก็อยากอยากจะหัวเราะแลวก็แล้วกันเหมืนั้นแต่เพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายต้องฟังเอาไว้นะจุดนี้นะ เดินจงกรมกับนั่งภาวนาเป็นของคู่กันถ้าว่าพวกท่านหวังความเจริญในสมณธรรมของพวกท่านเว้นเสียแต่พวกท่านไม่หวังความเจริญในสมณธรรมแล้วก็วางแต่กิเลสราคะโทสะโมหะแล้วก็นอนเอกเนตออกเกี่เอกเนตก็นั่งนั่งพุโทโธพุโทโธสองสามคำพอหลับไปไ ป, ไปเอกเนตก็ได้ก็เพียงแท่นั้นแหละเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะการเดินถึงยังไงอย่าได้ขาดแต่ละวัน ให้เดินเอาไว้อย่างพ่อแม่กูจานอย่างผมผมไปเมื่อวานน่ะท่านก็บอกวา่าอายุเก้าสิบห้าปีไม่กี่วันข้างหน้าท่านบอกว่าท่านบังคับเดินจงกรมได้เพียงสาสิบนาทีทุกวั น, นโอ้เหนื่อยแล้วนะ่แต่ก่อนเดินวันละเป็นชัช่วโมงชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้เดินแต่ละครั้งได้เพียงสามสิบนาทีก็เต็มทนขนะนาดท่านอายุเก้าสิบปีท่านก็ยังเดินองค์ลงตานะ พระ่อนพวกเราท่านทางหลายนะสมาธิจุดนี้นะเป็นจุดที่จำเป็นและสำคัญอย่างมากนะพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้ว่าการสู้รบกับพญามารต้องพิจารณาใช้ปัญญาแต่เมื่อพิจารณาใช้ปัญญาแล้วอย่าเห็นแก่การพักจนเกินไปแต่ท่านไม่บอกว่าไม่ให้่พักเลยไม่ใช่ แต่จะเห็นการพักคือการพักคือเข้าสมาธิเข้าฌานหรือสมาธิจนเกินไปก็เป็นเหตุให้เนิ่นช้าได้เพราะนั้นสมาธิเป็นสิ่งที่พักผ่อนเป็นสถานที่พักทับที่จะเดินสู้กับกิเลสราคะโทสะโมหะต้องพักทับเป็นระยะระยะอันนี้ก็เหมือนกันสมาธิก็ต้องมีออกจากสมาธิ เดินปัญญาพอเดินปัญญาเหนื่อยล้าพักในสมาธิพอมาสมาธิพักมีกําลังขึ้นมาเดินปัญญาอันนี้แหละ ว, วิธีการประพฤติปฏิบัติทางด้าน จ, จิตใจเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านได้นํามาประพฤติปฏิบัติได้มาศึกษาที่ผมแนะนํานี้ผมมั่นใจเลยเกินว่าผมพูดไม่ผิดก็แล้วกันขอให้นะขอให้พวกท่านทั้งหลาย ตั้งใจพิจารณาเมื่อจิตสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วนํามาพิจารณาร่างกายนี่แหละกายนี่แหละเป็นหินรับปัญญาถ้าพวกท่านทั้งหลายยังหลงร่างกายว่าเป็นของกิรางถาวรเป็นของเสร็จสวยงดงามมีความสุขอยู่ในร่างกายอยู่แล้วพวกท่านจะมองไม่เห็นอย่างอื่นกิเลสการ ม, มาลาคะจะเหยียบย่ําหัวใจของพวกท่านพวกท่านจะเดือดร้อนมีความทุกข์ลึกๆ พวกท่านก็จะบน่นใจร้อนใจร้อนร้อนเพราะอะไรพวกท่านไปค้นหาเหตุมาของมันไหมใจร้อนร้อนเพราะอะไรผมมั่นใจเลยเกินว่าวมันร้อนขึ้นมาเพราะกามมกิเลสให้พวกท่านทั้งหลายค้นหาจุดนี้ก็แล้วกันถ้าพวกท่านทั้งหลายจะต่อสู้ยังไงกับที่ว่ากามมกิเลสกามมกิเลสนั้นเพราะพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบายการท่านก็บอกอย่แล้ว ท่านไม่ให้ประมาทในจุดนี้พอบวชเข้ามาวันแรกพอบวชเข้ามาวันแรกท่านก็ให้เลยกรรมาฐานห้านี่แหละทําไมท่านจึงให้กรรมาฐานหาก็เพราะต่อสู้กับเรื่องการ ม, มกิเลสจุดนี้เองเกสาโลมานขาทันตาตะโจ น, นี่แหละการพิจารณาเมื่อจิตของเราเข้าสู่ความสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรก็นํามาพิจารณากรรมาฐานห้าเกสาโลมานขาทันตาตะโจ เกษาผมโรมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเองกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดใช่ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าพิจารณาเป็นภาพรวมหรือแยกส่วนแบ่งส่วนออกมาถอนผมเอาไว้กองหนึ่งถอดขนเอาไว้กองหนึ่งถอดเล็บเอาไว้กองหนึ่งถอนฟันเอาไว้กองหนึ่งถลกหนังเอาไว้กองหนึ่งเอาเนื้อเอาไว้กองหนึ่ง ถอดเอ็นเอาไว้กองหนึ่งกระโดกเป็นท่อนๆจากท่างก็เข้าไปสู่ตับลำไส้ปอดเอาไว้เป็นอันละชิ้นละชิ้นละชิ้นในร่างกายของเราแล้วตอนนี้ดูพิจารณาดูที่ว่าอันไหนคือร่างกายเราอันไหนคือร่างกายเขาของเขาเป็นอย่างนี้ไหมของหญิงของชายเป็นอย่างนี้ไหมคนที่ขี้ไล่ขี้เล่คนที่สุดสวยงามเป็นอย่างนี้ไหม ถามใจของตนเองคือถามตัวนมามธรรมตัวที่นึกคิดนั่นนะถามจุดนั้นนี่แหละปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นมาได้ต้องถามถามใจของตัวเองร่างกายของเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นใช่ไหมร่างกายของคนอื่นเป็นอย่างนั้นใช่ไหมตัวไหนที่น่ารักใคร่ที่น่าชอบใจที่ว่าสวยงามสวยงามที่ตรงไหนอันนั้นตับอันนั้นปอดอันนั้นลำไส้ อันนั้นหัวใจอันนั้นอุจจละอันนั้นปัสสวะอยู่ในนั้นกระเพาะปัสสวะอันไหนสวยงามอันนั้นเนื้ออันนั้นหนังอันนั้นเอ็นอันนั้นกระดูกเป็นท่อนๆนอนอยู่นั้นอันไหนสวยงามอันนี้คือเรามาแยกส่วนแบ่งส่วนถือเราจะพิจารณาให้เป็นส่วนเดียวอเราเห็นโครงกระดูก เมื่อเห็นโครงกระดูกตั้งแต่กระโหลกศีรษะจนถึงฝ่าเท้าเราก็นั natuur, hey ่งดูโครงกระดูกพอเห็นโครงกระดูกเราก็พิจารณากระดูกของเราเถอะนี่ไม่ต้องดูโครงนั้นะเราเห็นแล้วกระดูกนั้นกับกระดูกเราเหมือนกันไหมถ้าหากว่าเราดูแล้วโครงกระดูกนั้นกระดูกเราไม่เหมือนกันเราไม่มีกระดูกอย่างนั้นอันนั้นแปลว่ากิเลสของเราหนาแน่นมากเพราะนั้นแปลว่ากิเลสของเราหน่ากลัวมาก ถ้าไม่ยอมรับขนาดกระดูกในตัวของเราว่าเหมือนกับสิ่งที่เราเห็นภายนอกแต่ตามไม่จริงมันอันเดียวกันเพราะนั้นเราพยายามดูร่างกายของเราให้มันเหมือนกับกระดูกที่เราเห็นที่โครงกระดูกที่เขาแขวนไว้นะมันเป็นยังไงกระดูกของเราตั้งแต่หัวกระโหลกเป็นยังไงตาของเราเป็นยังไงจมูกของเราเป็นยังไงปากของเราเป็นยังไงฟันของเราเป็นยังไง กระดูกคอของเราเป็นยังไงคือดูให้ละเอียดกาหนดดูให้ละเอียดในกระดูกนั้นนั้นกระดูกกระโหลกศีรษะเป็นยังไงมันเหมือนกับเป็นฟันใจญ่ ๆ, ๆที่กระโหลกของเราข้างบน <Okay. S 1> กระมาเป็นใหญ่ๆกงมาทั้งหูอีกทั้งสองข้าง <Okay. S 1> จากนั้นก็ลงมาถึงจมูกของเราตาเป็นเบ้าตากระดูกเป็นขอบตาตามันหมูออกไปแล้ว อย่างเหลือตาเบ้าตาและจะมูกจมูกวีกใช่ไหมและก็บฝันข้างบนฟันข้างล่างมีขากัรไกลใช่ไหมจากกระดูมาที่คอคอกระดูกเป็นขอเป็นคอขอ้อใช่ไหมกระดูกมาไหาปาระกระดูกแขนใช่ไหมลงมากระดูกแขนขวาเป็นท่อนเดียวแล้วก็มีข้อศอกแล้วแขนข้อล่างเนี่ยมันมีสองซี่ใช่ไหม แล้วก็มีกระดูกนิ้วมือเป็นส5นิ้วใช่ไหมจากนั้นกระดูกระดูกแขนซ้ายอีกกระดูกท่อนบนเป็นกระดูกท่อนเดียวใช่ไหมกระดูกข้อศอกเป็นข้อกระปุมกระป่ําใช่ไหมกระดูกแขนเป็นสองสี่ใช่ไหมกระดูกข้อมือเป็นข้อในต่อกันจากนั้นก็เป็นกระดูกฝ่ามือกระดูกนิ้วมือใช่ไหมดูให้ละเอียด นี่แหละร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมจากนั้นกระดูลงมาถึงกระดูกหลังพอกระดูกหลังกระดูกชี้โค้งนี่ที่เป็นชี้ๆออกมาโป่มาทางเน่าเรียกว่ากระดูกชี้โคง้คงโคง้คงมันจะมารักษาปอดรักษาตับไม่ให้เวลาถูกอะไรสิ่งแข็งๆเข้ามากระดูกชี้โค้งก็จะกั้นเอาไว้มันก็เราาลูกกลงเรื่องเราที่มันกันเอาไว้ไม่ให้ สิ่งทั้งหลายก็มากระแทกตับปอดไปให้มันแตกง่ายอันนี้คือธรรมชาติมันปกป้องเอาไว้จากนั้นกระโดงไปกระดูกเอวกระดูกหลังกระดูกเอวกระดูกเฉพกกระดูกเชิงกานจากนั้นกระดงไปในระหว่างท้องเห็นไหมที่มันขาข้างล่างขึ้นมาจดทั้งสองข้างมันออกไปยังไงจากนั้นกระดูกขากระดูกเข่ากระดูกแข้ง กระดุกแข้งมีสองท่อนกระดุกฝ่าเท้ากระดกนิ้วเท้าร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้หละคือกรรมฐานพิจารณาวิปัสสนาวิปัสสนาคือวิปัสสนึกอันดับแร ก, กคือทำจิตให้สงบพอสมควรเป็นพื้นฐานแต่ถ้าว่าเราจิตแจเราปุ่งฟงุ้งซ่านปุ่งคิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้วิตกงังวลแล้วเราจะนาความรู้ มาพิจารณาร่างกายเป็นไปไม่ได้เพราะจิตใจของเรามันปูงฟุ้งอยู่มันไม่สงบเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทําใจให้สงบจังหวัดเดินโยกกลมอย่างที่ว่านะขาขวาพุทธขาสายโถหรือว่านั่งกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้จิตใจของเราให้อยู่ในความสงบเป็นพื้นพอสมควรไม่ใช่สงบถึงขั้นอัปปนานถึงขั้นอุปจารสมาธินี่สมาธิขนาดนี้ก็แเป๋วใช้ได้แล้วถอนนํามา ก็บอกท่านก็บอกแล้วว่าให้พักทับพักทับก็คือพักในมัสมาธิในเมื่อพักสมาธิพอ้อมกวนแล้วก็เดินทัพเดินทับก็นเนี่ยให้พิจรารณาพิจรารณาแยกส่วนแบ่งส่วนที่ผมได้พูดเบื้องต้นให้เห็นกรรมาฐานห้าจากนั้นก็แยกส่วนแบ่งส่วนให้เป็นเป็นแต่ละอันแต่ละกองกองกองจากนั้นก็เมื่อเห็นเป็นกองให้คิดให้พิจรารณากระดูกเถอะ นำมาพิจารณากระดูกตั้งแต่หัวจดเท kitchen, ้าพิจารณากี่ครั้งท่านไม่พิจารณาครั้งเดียวนะหลายๆครั้งตลบขึ้นตลบลงตลบลงตลบขึ้นตลบขึ้นตลบลงให้ดูให้ละเอียดพิจารณาจากฝ่าเท้าขึ้นมากระโหลกศีรษะพิจารณากระโหลกศีรษะลงมือฝ่าเท้าพิจารณาถึงกลางตัวพิจารณาชี่โคงขึ้นไปหาศีรษะพิจารณาชีโครงลงมาหาฝ่าเท้าพิจารณาดู ให้ดีจนมั่นใจว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยไม่เป็นเพชรนิ่มจินดามาจากไหนกระดูกเท่านั้นอยู่ในร่างกายของแต่ละคนในเมื่อเราเห็นกระดูกของเราผู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วเดียใจของเราพิจารณาทว่ามันพิจารณาไปพิจารณา ม, ามันเห น, น, น, นื่อยนะมันเหนื่อยนะเพราะมันเหนื่อยแล้วก็เรากำหนดดูร่างกายของเราตั้งแต่หัวจนเท้านะ เราเห็นกระดูกท่อนไหนที่มันชัดในความรู้สึกของเราเราเห็นกระโหลกศีรษะเห็นชัดในกระโหลกศีรษะของเราใช่ไหมหรือเราเห็นกระดูกหลังอันนี้ก็สุดแท้แต่เราพิจารณาถ้าเราเห็นกระดูกแข้งกระดูกขากระดูกแขนกระดูกไหนที่เราเห็นชัดในความรู้สึกเราเอากำหนดเราจิตหรือเอาใจหรือเอาตัวผู้รู้กำหนดอยู่ในจุดนั้นไม่ให้มันขยับเพ จะว่าเพ่งกว่าใช่จะว่ากำหนดรู้รู้รู้อยู่กว่าใช่ให้ดูให้ ร, หรู้อยู่อย่างงั้นอ่ะให้กำหนดไม่ต้องให้มันไปขยับไปที่อื่นนี่แหละอันนี้ก็ทำให้จิตใจของเราสงบนิ่งได้สงบเป็นหนึ่งได้ในเมื่อเราพิจารณารู้หลายครั้งต่อหลายนุนถึงมันจะสงบหรือไม่สงบก็าตาม ก็ให้เรารู้ว่าร่างกายสังขารของมนุษย์ชาติเป็นอยู่อย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นใจของเรารับรู้นะรู้นะใจนะร่างกายมันเป็นอย่างนี้นะเธอจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายเป็นของเราอยู่เหรอร่างกายไม่ใช่เรานะอีกสักวันหนึ่งนะเจ็บไข้ได้ป่วยนะตายแน่นอนนะเผาไฟแน่นอนนะับต้องไปลอยอังคารแน่นอนนะไม่เป็นอย่างอื่นนะใจนะ ใจของเราจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายเป็นของเราไม่ได้นะให้รู้เห็นตามความเป็นจริงนะเนี่แหละในเมื่อเราพิจารณาให้ทีถ้วนพิจารณาให้รอบคอบพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงใจของเราไม่ปล่อยวางมากก็ต้องปล่อยวางน้อยแล้วจะเเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วจะไปยึดมั่นย่างไงโครงกระดูก อีกสักวันหนึ่งมันก็จะต้องแตกมันจะต้องสลายมันจะต้องเอาไปเผาไฟทีนี้ใจของเรากะย้อนมาหาตัวผู้รู้มาหาใจแล้วทีนี้มันไปพิจารณาตัว น, นั้นรู้รอบขอบชิดรู้แจ้งเห็นจริงหมดแล้วจะไม่รู้จะยึดเอาตรงไหนอีกทนไม่รู้จะยึดอะไรอีกเป็นของเราทีนี้มันก็เข้ามาหาตัวผู้รู้คือมาหาใจทีนี้ใจของเราเป็นยังไงไปหลงเขาไปหลงในร่างกายใช่ไหมแต่ขนาดร่างกาย ยังไม่ใช่ตัวตนของเราคนอื่นสัพสัตยอื่นที่เกี่ยวข้องจะเป็นของเราได้ยังไงเขาจะต้องแตกจะต้องสลายไปตามเรื่องราวคนที่ยึดมั่นถือมั่นยึดถือว่าเป็นตัวตนของเรามากมากต่อมากทุกคนก็ต้องแบ่มือทั้งหมดเอาไปด้วยไม่ได้ทางนั้นเราณะคนหนึ่งถ้าเรายังมายึดมั่นถือมั่นว่านั้นเป็นของเราอันนี้เป็นของเรา สิ่งนั้นเป็นของเราอยู่ท่านก็จะต้องเป็นอย่างเขาไม่เป็นอย่างอื่นแน่นอนเพราะนั้นท่านจงรู้ให้เข้าใจนั่นหละที่เนปล่อยวางที่ใจในเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางที่ใจใจรู้แจ้งเห็นจริงใจเป็นอิสระกิเลส จ, จะเป็นราคะก็าตามจะไปกำหนัดยินดียังไงกระดูกอย่างนั้น ที่มันกำหนัด ก, กินดีเพราะเราไปปลูกเศษไปยกยอปอปั้นไปให้ความสำคัญกิเลสราคะมันจึงท่วมทับท่วมทนหัวใจของเราทําให้ใจของเราเดือดร้อนใจของเราร้อนร้อนร้อนเพราะเหตุอะไรเพราะเราไปให้ความสําคัญในเมื่อเราพิจารณาด้วยหลักเหตุผลตามความเป็นจริงอย่างนั้นแล้วใจของเราจะร้อนอยังไงพิจารณาดูให้ดีกําหนดดูให้ดีจากนั้นก็ดูที่ใจ ปล่อยวางที่ใจเมื่อใจปล่อยวางใจปิดอิสระใจไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละที่นี่เมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางที่ใจมันไม่เกี่ยวข้องมันไม่ให้ความสำคัญใจของเราก็ปลอดโปร่งใจของเราเย็นสบายใจของเราไม่กระเพื่มพอมเพราะปล่อยรู้จักปล่อยละไม่ยึดมั่นถือมั่นละ ปล่อยวางตรงนั้นจุดนั้นตัวที่นึกคิดตัวรู้รู้อยู่นั้นในเมื่อเหตุตามความเป็นจริงนั่นและท่านทำที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสท่านบอกไว้ว่าเมื่อปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วโดยประการทั้งปวงแล้วความบริสุทธิ์หลุดพ้นก็จะออกมาจากจุดนั้นนิพพานังประมังสุขขังนิพพานังปรมังสุญยัง ไม่ออกมาจากที่ไหนออกมาจากจิตที่รู้แจ้งเห็นจริงจิตใจที่ปล่อยวางจิตใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่แหละความหลุดพ้นออกมาจากจุดนั้นเดี๋ยวนี้พวกเรายัางตัววิชาคือความมืดบอดราคะโทสะโมหะยังควบคุมจิตใจของเราเป็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นตัวตนของเราเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นก็เพิ่มอยู่ตลอดไปล่ำเวลา บางทีเศองหมองบางทีฟ้องสายบางทีมืดบอดบางทีก็สว่างทีร้องให้บางทีหัวเราะมันเป็นอยู่อย่างนี้เพราะเหตุไรเพราะใจของเราไม่รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงในเมื่อใจเราพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่น่าจะยึดในสิ่งเหล่านั้นยึดไปทำไมได้อะไรมันไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา เพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมพยายามทําตามที่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ผมได้กล่าวในแนะนำํำผมมั่นใจว่าผมแนะนําไม่ผิด อ, อได้ฟังได้ศึกษามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์และตัวเองก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามแนวแถวนี้เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆุกอ ง, ง น, นะเอาจริงเอาจังในพรรษานี้ ให้เข้มงวดกดขันตัวเองการพูดการคุยการสนทนาปาลบ ก, การคบค้าจะมาคมคุกครีตีโมงอย่าได้มีให้พวกเราหาธรำอย่าไปหาโลกเพราะพวกเราอยู่กับโลกหาโลกมันนานต่อนานแล้วให้พวกเรามาหาธทำอย่างจริงจังให้พวกเราก็จะประสบแต่ความสุขความเย็นใจเพราะหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระหันทสาวก ที่ท่านได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลเป็นของจริงจังพวกเราจะต้องศึกษาจะต้องศึกษาจะต้องใฝ่ในการศึกษาศึกษาก็คือเนี่ยหาความรู้หาแนวทางเมื่อศึกษาแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ศึกษาแล้วปล่อยทิ้งเฉยเฉยรู้แล้วก็ไม่สนใจถ้ารู้แล้วสนใจมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าว่ารู้แล้วนํามาปรปับปรุงแก้ไขกายว่าใจาใจของเรา ใจของเรานั่นแหละจะโดดเด่นใจของเรานั่นแหละจะเป็นอิสระใจของเรานั่นแหละจะไม่ผูกพันด้วยกิเลสราขะโทสะใจของเราเป็นวิมุตติยาณทัศนะเกิดยานหลุดพ้นจากอาสวักิเลสเป็นจิตที่หลุดพ้นเป็นวิมุตไม่ใช่สมมุติวิมุติหลุดพ้นจากสมมุติทั้งหลายทั้งปวง ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท, ท่านนะในพรรษานี้ก็พยายามอย่างน้อยก็ให้จิตสงบให้ได้แต่ถ้าเราพวกเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่ง ม, มั่นอยู่ผมว่าไม่เหลือวิสัยที่จะทำจิตให้สงบเบื้องต้นผมได้พูดเกี่ยวกับการเป็นอยู่การประชมุมแล้วก็การวางตัวการศึกษากับครูบาอาจาร แนวความคิดแต่ละท่านแต่ละองค์แต่ละครูบาอาจารย์จะจะให้อย่างใจของเราก็คงจะเป็นไปไม่ได้นานากิตตังนานาทัศนะแต่ถึงยังไงเราต้องมองด้วยเหตุผลต้องมองด้วยเหตุผลต้องศึกษาด้วยเหตุผลแต่ถ้าว่าผิดหลักธรรมวินัยแล้วรับไม่ได้จะเป็นใครก็าตามแต่ทั้งอยู่ทั้งยังไม่ผิดต่อหลักธรรมวินัยนั้น ต้องเป็นแนวความคิดของแต่ละครูบาอาจารย์ท่านจะวางหมากยังไงท่านจะวางหมากยังไงอันนั้นเป็นหน้าที่ของท่านเราจะไปก้าวไก่ท่านไม่ได้เพราะเราเป็นสิทธิอนุสิทธิเราต้องศึกษาถาว่าต่อไปภายภาคหน้าแล้วเราจะนํามาใช้ในแนวไหนที่เราได้ศึกษาที่เราได้เห็นได้ดูมาแล้วอันนั้นเป็นสิทธิ์ของเราที่จะนํามาปรับปรุงแก้ไขในการดารงรวปการบริหาร ในเมื่อเราเป็นพระผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าไม่ใช่ว่าไปอยู่กับครูบาอาจารย์มีแต่หลับหูหลับตาซื่อบือ้อซื่อบือ้อเหมือนทับผีแช่อยู่ในหม้อกแกงแช่นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้รสของแกงอันนั้นใช้ไม่ได้นะอันนี้แหละอันนี้ก็คือแนวแถวในการเป็นอยู่จากนั้นก็พระกรรมฐานครูบาอาจารย์แนะนำอย่างไรเรื่องศีลการเป็นอยู่สมาธิ การประพฤติปฏิบัติเราจะเป็นนั่งอย่างเดียวไม่เดินจงกรมไม่ถูกต้องอย่างที่ผมได้กล่าวนั่งกับเดินเป็นของคู่กันคือการเปลี่ยนนัยบาตรอริยบทการเดินเป็นส่วนหนึ่งเป็นการเคลื่อนไหวทำให้จิตใจสงบระยับแต่เมื่อเราเคลื่อนไหวแล้วเรามานั่งภาวนาเราจะจิตจับจิตได้ง่ายขึ้นในเมื่อเราจิตสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรนามาพิจารณา ทางด้านปัญญาตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาพิจารณาอะไรกรรมาฐานห้าที่ท่านให้มาแล้วตั้งแต่วันบวชจากนั้นก็มาแยกแยะส่วนร่างกายจากนั้นก็มาแยกแยะ ก, กระดูกให้ละเอียดวันนี้ผมได้อธิบายการแยกแยะ ก, กระดูกละเอียดให้แก่พวกท่านทั้งหลายได้ศึกษาจากนั้นก็ เมื่อเห็นร่างกายของตนเองขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องกับร่างกายวัดวาศาสานาหมู่พวกเพื่อนอุบาสกอุบาสิกาที่มาเกี่ยวข้องจะเป็นของเราได้อย่างไรขณาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเรากรอีกสักวันหนึ่งเขาจะเอาไปเผาไฟทิ้งอยู่แล้วสิ่งภายนอกวัดวาศาสานาที่อยู่อาศัยจะเป็นของเราได้อย่างไร ใจนะใจใจนะใจใจต้องดูใจนะถีเนี่จากนั้นก็เข้ามาพิจารณาใจใเมื่อพิจารณาใจใจก็ต้องปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นและมรรคผลนิพพานไม่อยู่ที่ไหนจุดจบของชาติภพไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในพระตะสงสารที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าอยู่หกปีที่โครนต้นโพที่ได้บรรลุตัดสุธรรมพระอนุตตรสมาสัมโพธิญาณ อยู่ที่เนี่แอยู่ที่ใจไม่อยู่ที่อื่นพระพรธองค์รู้ที่ใจปล่อยวางที่ใจสําเร็จลงที่ใจก่อนที่จะท่านจะได้วันเดือนหกเพนที่ท่านจะได้สําเร็จนั้นท่านสู่กอารมณ์ของท่านอารมณ์ของท่านเห็นพยามาณเสนามานนางตันหาราคาอรดีเสนามานสรุปแล้วก็คือท่านใช้สัจจะคือความจริงจังและจริงใจของพระองค์ตัด ก, กิเลส ไม่ให้เกี่ยวข้องไม่ให้ความสําคัญในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่สิ่งภายนอกด้วยสัจจะไม่นึกไม่คิดดูใจของพระ อ, องค์จากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้จิตดวงเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเกิดญ า, าณทัศนนะปุเพในวาสานุสติญาณทะลึกชาติหนหลังได้นี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายมนุษย์โลกทุกวันนี้ที่ไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้ศึกษาในจุดนี้ก็ว่าตายแล้วไม่รู้ไปไหนตายแล้วสูนะ โดยมากเป็นลักษณะอย่างนั้นบางทีก็ตายไปกักบตามความเชื่อในศาสนานั้นๆสุดแท้แต่เขาจะแนะนํากันอย่างไรมีมากมายเหลือเกินแต่หลักของพุทธศาสนาตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกสิ่งแท้เกิดนั่นคือใจคือวิญญาณพระพุทธเจ้ารู้ที่โคนต้นโพลปุเพในวานสานุสติยาและลึกชาติหนหลังได้ตั ว, ต ว, ตวป่าป่าจัยานการจุติอาสาวะขยะยาณ จิตใจมันเร่ร่อนรื่นรอยไปไม่รู้จักจบจักสิ้นเพราะอะไรเพราะกิเลสเตกิเลสราคะโทสะโมหะเป็นเครื่องผลักดันไปในสถานที่ต่างๆพบภูมิต่างๆพระพุทธเจ้าถอดกิเลสต่อยตีกิเลสด้วยตปธรรมคือสินสมาธิปัญญาใจของพระองค์อยู่นิ่งทีนี้รู้แจ้งเห็นจริงใจบริสุทธ ไม่มีเครื่องไหนเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาลบกวนใจของพระองค์โดดเด่นปราศ จ, จากสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเข้ามาลบกวนนี่ว่านิพพานังประมังสุขขังเพราะไม่มีสิ่งเข้ามายัยวนรบกวนพรทไทยของพระองค์จิตอันบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นนิ่านิพพานังประมังศูนยอย่างคนที่จะเข้าไปผลักดันกิเลสราคะโทสะที่จะไปผักดันมันศูนหมดแล้วมันศูนย์พันเหมือนกัน น, น, นี่แหละ เพราะฉะนั้นพวกเราที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรธรรมไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของพระองค์ที่พระทัยของพระองค์เองเพราะฉะนั้นพวกเราเข้ามาศึกษาธรรมะปฏิบัติก็ยึดแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พประพุทธปฏิบัติมาวันนี้ผมได้นาแนวทางปฏิบัติมาพูดมาเล่าให้หมู่พวกเพื่อนฟังก็เห็นว่าสมควรกับเวลาขอยุติในการพูดเพียงเท่านี้